การศึกษาชีวิตมันแฉมสารให้เกิดปัญหาที่ดีนั้นระชิวิตเป็นปัญหาการเป็นอยู่ลายสาระไม่ยังมีเป็นแฉมสามจับดการใดเกิดมาต้องแก่เั็นอย่างนี้นนก็ถึง เ, ง, งเกิดแล้วก็ต้องตายก็าจากกันไป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 ให้มันได้ช่างคู่การทั้งโลกยียปัญญาปัญญาทางโลกสี่ประกอบอาชีพการงาน่ยะกอบอาชีพใช่ให้ประกอบอาชีพเดยใช้ผลงานในการอยู่ทางโลกแต่แล้วปัญญาทางธรรมก็จำเป็นประจามชีวิตของเรามากประจาชีวิตอย่างไรเชอะปัญญาทางธรรมนันม้นแก้ปัญหาได้เรื่องปโลกอุตละธรรม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 อายุเดรุนีอย่างเขา่าที่ห้าที่หกเขาเบญญาพศยที่อยที่ห้าหรือสามสิบสี่สิบเก้าเขาสสิบประการใดมันก็ตามวัยตามฉนาศาตามโอกาสเวลาที่อยู่มานานมากไม่เหมือนกันอายุเราจึงไม่เท่ากันเราอยู่ม า, มานานกว่าเขาก็เลยห่วงใยของเขา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 จมสําคัญมากภรรยานางวาปาปตังวาการกระทําทของเขาไม่เหมือนกันกฎแห่งกรรมนั้นไม่เหมือนกันคนที่ได้มาจากกระถิตจากสวรรค์จากพรุทธรามสวรรค์ก็จะมาเกิดบ้านที่เป็นสวรรค์ด้วยกันแต่คนหนาวจากเมือนงนรกจิตใจประกอบตกรามกมากมายก็ต้องไปเกิดในบ้านเมืองนรก หายโปกก็โกทั้งบาทบางหาถ้านจิตใจสะอาดปร่าวจากมนทนมนเทียนแต่ยากดีมีจนเงินทองไม่สำคัญทำจิตใจสะอาดสด ม, มนไหวพระไหวเจริญะกา ม, มาฐานจะมีบุตริีดาจิตใจสะอาดดีสไม่สกก็ปกแล้ว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 อยากดีมีจนเรายังหนุ่มยังสาวกว็าตาแต่หาความดีเข้าไวให้ได้เราไม่เดืแหวงหาความดีไม่จะเร็นกุศลบุญยาลาสืสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนแล้วอายุมากขึ้นจะผิดหวังจะเสียดายอย่างหน่าใจหายแล้วก็เราจะชิดได้ต่อภายหลังแล้วก็จะแก้ไขไม่ได้อายุมันมากแนละ้ว ผ่านมามากมายแต่เราก็จะตายในโอกาสหน้าในอ น, า, นาคตสั้นจะอยู่ไม่ยาวไม่นานจะเป็นที่นาที่ตายต่อห้หลังมากเกิดมาทั้งทีเราก็เอาดีไม่ได้การเจริญกับกรรมาฐานเนี่ยเป็นการข้างความดีแตีวิตมากทำให้เรามีสติปัญญาทำให้เราได้คิดแก้ไขปัญหา ทำให้จิตใจเราสะอาดกระพัดสอนทำอะไรก็ไม่ปกปลอกทำอะไรก็ไม่ก่อบาปก่อความเดือดร้อนในอนาคตตีวิตจับจองลงสายใจก็สะอาดกระชากนมนละสิงคาสมองจะได้กลองดองอยู่ในจิตใจจิตใจก็ล่าเรินบรรเทนธรรมอาจหาในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่ก็หลอเลี้ยบางคนไม่เอาเลย เสียดายด้วยเสียใจด้วยกระท่่นจะเสียใจตอเมื่อใกลก้จะตายทึ้งตัวท่านเองว่าเราเนี่ยพินฐานมาอย่างผิดหวังไม่มีโอกาสที่จะสร้างความดีเข้ได้และความดีก็สร้างไม่ได้นี่แหละท่านทั้งหลายตากงมาเห็นใจมากนะคนที่ดีมีปัญญาทำยังไงไมันก็ดีแต่ตั้งแต่ต้นคนปลาย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 ก็ามาเป็นทองคำไอ้ตะัวทองเหลืองทองแดงเตจยังไงขัดถีถ่ชววีวันยังไงมันก็ไม่สามารถจะกระชังกระทังหรือหลังให้สวยงามได้เดี๋ยวมันก็ดมตามเดิมอันใดก็ฉะ น, นั้นคนที่เอาดีไม่ได้แล้วก็ทำยังไงก็ดีไม่ได้ยืด แต่สาธุชนผูน้ประกอบการทั้งหลายเป็นที่นาที่ใดชีวิตของเราที่เราผ่านมาและผ่านไปแล้วก็ น, น่าพิบัยผ่านไปอย่างน่าพิจัย ไ, ไม่ได้เก็บของดีเอาไว้ไม่ได้สร้างความดีดให้กับจิตใจแต่ประการใดความผิดหวังก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองในอนาคตถึงสัมหรับยาภพ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 เนื่อแท้ของชีวิตก็คือความดีของจิตเนื่อแท้ของจิตใจคือความดีของชีวิตชีวิ ต, วมว ต, วตไม่แรงแทบชีวิตมีแต่ละแผ้นผังชีวิตเป็นการสารอยู่เย็นเป็นสุขตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้าจะมืพอพ่อมีครัวสามีาาือพยาก็อยู่การดยสุขาวัดี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 เกิดยกย่องซึ่งกันและกันแล้วต่างคนต่างยกย่องกันต่างคนต่างรักเคารพนับถือกันจะไม่มีเรื่องกระเลยนี่ดูด้วยธรรมชอชูชันดูด้วยความสุขความเจริญในครอบครัวข้งตอนนี้มีความสําคัญอย่างนั้นญาติโยมอุบาสกปฏิการทั้งหลายเอย๋เราได้รับความย่อมเย็นกันตกมานี้ก็เพราะธรรมะ ทำสอนขององค์สมเด็จระจินาวร์กาบระดาสัมมาสัมพุทเ จ, จ้าของเรามากัดในโลกเมือ่อสมัยก่อน น, นานมาแล้วหลายหมื่นหลายพันปียังไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มากัดในโลกลายยังมืดม น, านาอนา้อนจิตกล็อลอดรายการไปหาที่พึ่งทางใจไม่ได้เลยจึงไปหาผีเข้าเจ้าชรงไปหาต้นหมากลากไม้ไปบูชาเทวดาบูบชาผี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 คำสอนของพระพิตรเจ้าแต่ประการใดทอบแต่เสถีวรหวนห้ามคบครอบจะคบพานมันก็จะได้ผาเราไปคบบันดุถึงจะได้ผลอนแต่คบคนทั่วทำตัวให้อับจนคบคนดีให้ผลจนวันตายมาเมาแพท์หรือก็หมดค่าเมาสุราหมดความสำคัญเมาการธนนานหมดตัวเมาเพื่อนทั่วหมดดีข้าความดีไม่ได้เลย ถึงหาว่ายังมีพระพุทธเจา้ามีศาสนามาที่แจงสแสดงสอนก็ยังไม่มีใครเอาทานไปอย่างน่าสไดายการจับจผิดหวังในชีวิตในเมื่อเวลาใกล้ตายใกล้ตายจะคิดถึงพูดโธล่ประัมโมประสังโผก็ยังคิดไม่ได้ตายอย่างน่าทึ่งถึงตายอย่างน่าระพึงและทิถึงแต่ลำพันไม่ได้ยางนี้เป็นก้อน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 นี่เราเราตั้งหวังไม่อย่างไ ร, รตแต่ใกล้ตายเราไม่ได้สร้างความดีเขาเลยจะคิดถึงความดีจะผึกหวังอย่างน่าพิจายคือเกิดมาตายซะแล้วแต่เพียใจต่อภายหลังว่าเรามาพบของดีในศาสนาแล้วเราก็ยังไม่สร้างความดีอึกเรายังไปสร้างความทั่วเอาตัวอัปางชอบเอาบุญไปทา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 เราเอาจ้ของทั่วเอามาไว้ในตัวเราทำไมเล่าหนาที่ดดยความคิดอันนี้เหตุเตินหนอถ้าผู้ใดคิดหนอทุกหนอข้าพระเจ้าคิดได้แล้วะจะตั้งใจสร้างความดีตั้งแต่วันนี้เป็นก้อนไปให้มากปีกเท่าที่มากได้แสนจะยากลำบากเหลือเกินเกิดมายากเหลือเกินอัำที่น้องทั้งหลายเอ๋ย ไม่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ง่ายเลยสิตโฉมนุษย์กับปิลาโพนี่หนอเรากว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีมือกองเท้าสองกระมองหนึ่งเกิดมาก็โชคดีไม่เป็นไม้บ า, า, าทีผลิตจิตมนุษย์แต่ประการใด้ำบโชคดีที่สุดเลงแต่เราเกิดมาแลวจะเห็นบางบ้าในใจเพี้ยนเรือนเพี้ยงกันเกิดมาตาบอกหูหนวกห้อยเปลียยเท้าแขนไม่มีอขาไม่มี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 สร้างความทั่วมากกว่าความดีแล้วก็กบวกลบคูณหายเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาคิดกันดูบ้างทิมันจะได้ดีหรือได้ทั่วมันจะติดลบสุดบวกประการใดท่านก็จะรู้เห็นแจ้งในใจขุงท่านเองกรจัดตัตงเวทร์ตับโยูหิรูด้จะเพาะตัวท่านเองเนี่ยดีชั่วประการใดท่านต้องยอมรับความจริงบ้างสิงบางคนไม่ยอมรับความจริงเลยเอาใจชั่วใส่ตัว บตดของดีออกจากตัวไปหน้าที่ดายมากไม่ต้องคนงโง่เช่นนี้เอาเพชรออกจากตัวเอาความชั่วมาใส่ตัวความดีเอาออกไปที่น้าที่ดายควรจะกำจัดความชั่วออจากตัวเอาความดีเข้ามาใส่เหมือนเพชรนินจินดาแก้วกาลึกแก้วสารพัดนึก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 แม่คุณเอ๋ยพ่อคุณพ่อทูนหัวแม่ทูนหัวเขาก็ต้องลักลาวสนองงานกับเราอันความดีอันเด่นชัดให้กับเราจงได้เราต้องตามให้ของคนเสน่หให้ของที่ถูกใจเขาก็จะพอใจเยาะยอัจยาสายที่เราให้ของดีเข้าไปฉะนั้นเขาก็เอาของดีมาคืนให้เราทันใดก็ฉันั้นเราข้าความดีจเจริญประกรรมาฐาน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 เนีท่านทั้งหลายเอ๋ยเจริญจะกรรมฐานดีที่สุดแต่จะได้พบของจริงเพราะเรามาเจริญกรรมฐานอย่างตามต้องเจ็ดวันถึงจะรู้ของจริงเรามากันสองวันวันเดียวท่านจะรู้ของจริงเราเยือกอาจจะได้ของปลอมไปหน้าทิตดาที่ย้อมใจไปชั่วคราวแอบจะมาเปรียบเทียบพยมฟังให้ไปคิดกนันนะไปคิดกันเหมือน้ามาบวชนี่ละเจ่นเดียวกันแกมาจากบ้านมันก็ไม่มีเยีย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 จะเสียใจจะหลอดา่าตลอดการปรนะวัาสร์แน่นอนที่ตนน้องที่รักทั้งหลายเรามาแค่วันของวันยังไม่ได้อะไรมากนะพยายากำหนดจุดอายากนะข้าดิ้นที้เหวนหนอเสียงหนอโกรธ ด, ดีใ จ, จเสียใจกำหนดหายใจยาวอย่าหายใจเร็วมันจะแก้ไ้ปัญหาไม่ได้ถ้าผดชาจะได้พลาของเล่งนงาม คช่าพายพ่อพายแม่พายกระลาดตะลาศกวายใช้บัวกะนาโตไม่แกะอยู่กูแกะไม่ไถจะไถไปไหนเน่าใช้บัวก็น่ากระลาดก ะ, ะวายตลอดรายการไปไม่ทันชาบ้านเขาแล้วโปรดได้แก้ โ, กโทษตัดปลีโพ่อจังวนใช่บ้าง ก, ก, ก, ก็แกออกที่จะแจ้ไถออกไปอย่าไปหลงโนดนใจในบ้านเสมอไป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 วัฒนารถาพรโดยทุนากันขอทุกท่านตรงกระเรินไปด้วยอายุวันนาสุขาพราปฏิภานภาน้ า, านและสมบัติไมื่อื่อจริงปฏิการได้ชมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาด้วยการทุกรูปทุกงามนาโอกาสบัดนี้เชิญ